Thank you. เป็นแล้วอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ง่วงให้เลือกที่เราอย่าไปเอาเ อ, าเอาสิ่งเหล่านั้นมาประเมินหัดไปก่อนอยู่ที่บ้านแม่ง่วงอยู่ที่อหนจะง่วงไม่เป็นไรก็ต่อไปก็จะไม่ง่วงเหมือนกัน 自己的事情，而不不是，呃，换一个地方也做这种事情。自己不会过失。还有，现在，就是第二天，第二天你做过失，啊，可能过两天就做不成<嗯><嗯>了。你要习惯这个，这个姿势。嗯，老，我在蒙台。 นในเชื่อวันไทยแบบหนึ่งมันจีนลบบหนึ่งเรามาอยู่ที่นี่ก็คือมีสติเหมือนกันเราไม่ได้ไหมายความว่าเราอยู่ที่นี่ไม่เหมือนบ้านเราไม่เหมือนบ้านเราไม่ใช่มีสติเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็อยู่โฟมรู้ตัวเลยเราก็ ท, ำ ท, ำทำําเหมือนกันอยู่ที่ว่าก็ทําอยู่ที่ก็ทาลู่อัลู่อนโยกันเน่ะมันไม่แตกกัอหละอยู่ที่ไหนไม่แตกเลย 坐飞机是多少公里啊？嗯，我们看。 เวลาเดินจงกลมครับเราจะกาจัดความคิดอย่างไรครับอาจารย์งก็มีความรู้สึกตัวถ้ามีความรู้สึกตัวเวลามันคิดขึ้นมาจะรู้สึกตัวไม่ใช่แบบควบคุมให้มันคิดแต่ถ้ามันไม่คิดก็รู้สึกตัวเวลามันคิดก็รู้สึกตัวอ่ะได้ไห เอาไปเอามาความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมันจะไม่มีหร อ, อกนี่แต่ความรู้สึกลัว <c oughs> <c oughs> ส็ใจนะเวลาเราจะรันจิตไม่ได้สนใจเรื่องใดมีนั้นกันมันจะยากมันจะง่ายไม่สนใจม่นจะที่จะถูกไม่สนใจเมื่อจะทุกข์จะทุกข์ไม่สนใจแม้มันจะโกรธจะหลงก็ไม่สนใจแล้วสนใจเรื่องที่เราทำยังไงอะไรก็ตามเราจะต้องรู้เรื่องที่เราทํานีไงให้หยใจ้ควบคุมจิตใจ ดิสซิสส the ์มันต่อใช่ไหมหน้าที่มาแล้วเราเฝ้าดูมันอย่าชอบหน้าที่อยู่กับมันหรอกที่สำคัญคืออะไรอะเฝ้าดูมันดูอย่างเดียวจิตจิตจิตจิตอะรู้จักรู้จักอย่าไปสนใจมันแล้วถ้ามันรู้จักในระดับที่รู้จักในระดับที่รู้จักมากขึ้นเรากจะพบว่าจิตจิตที่เป็นที่เป็น มีทุกคนเลยควผิดควาถูกควานยากความง่ายยอมบวชก็เ ม, มื่มมอยมีเหมือนกันแต่เราไม่สนใจเราจะมีสตินนยอย่างเดียวเท่านั้นแบกเขาไปเลย 请问学生，练习守中位置，眼睛应是应该 e 视前方的某一个点，还是像平时在日常生活中一样，自然地观看眼前的事物，并同时保持对手部动作的觉知？这个问题问一下，老师，一张纸。 กานั่งครับนั่งตาเนีเ่มองจุดใดจุดหนึ่งหรือว่ามองธรรมดาแล้วก็เรารู้สึกอยูดที่มืออะไรแบบนี้ครับไห้เรานั่งสายตาัอดสายตาไม่ต้องเพ่งให้ได้ฉากกวาสูงของเราข้อศอก อ, อประมาณถ้าเงยนในไปก็พงสั้นถ้างกันไปก็หลับให้พอดีพอดีไม่จะมีที่จุดหมายปลายทาง อย่าไปเพ่งจุดใดจะมองก็จจุบดทาดทาดทามันจะดูที่ควมรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่ไปโ อ, อ ต, าตาเห็ น, นใจนตาม่เห็นก็ไม่สนใจไม่สนใจเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยท่านอาจารย์จอ่าท่้า้กจริงยวันนี้จะเป็นคนธรรมานะะน้เรจะเป็ดาน้งแนี นั and this are th ่งอยู่ที่ไหนนัองอยู่ที่จุดไหน你要知道你是谁的一个洞体。ก็อย่าไหลับลื่นมนอยู่นี่แหละสรางูเรื่อยมาไปเห็นงูการเห็นงูนี่ก็ดีแล้วเห็นงูแล้วก็มันจะมาพาเราเลือยก็สร้างการถืโวันอย่างบนหัวฉันเรามาเรื่อยมา ท <c oughs> <c oughs> างเรานั่งวิธีใดก็เอาผาคลุมหัวมันก็ได้ถ้าเราเลือนตาถ้าเราเลิกรลืนตามาก่นหลับผมก็ไม่เห็นงูแล้วเลเื่อนเอาไว้ตา <c oughs> 我们每次可以解决的时候，我们就知道谁来了。谁来了？不在 จะงูนะอยู่ที่วัดไม่เช่นั่งแบบนี้นะนั่งในป่าเอาเตียงไปวางในป่านั่งช่างจะว่าอยู่งูมาเรื่อยมาเลยมาแล้วก็ดูมันดูมันสนุกสนานะมันเรื่อยเข้ามามันจะเข้ามาติดกับเตียงเราแล้วก็กองไว้ทีวยโยนไปหัมันมงนก็ชูคอขึ้นชูพอขึ้นเดาะผ้าบางได กลัวมันจะพ่นน้ำลายใส่งูเหาแล้วก็ดูมันยางสุบไม่ได้กลัวเลยนะถ้ามันจะกระโดดได้เ ร, เราก็เอาอผ้าที่วอคมคมหัวมัน <c oughs> นี่คือเกือนตาแบกไปนั่งหลอบตาตลยตมูเรื่อยมาม่เห็นงูแต่บัตรยิงกัดตายแลต้อเลืเ่นตาอือืืมอืมอืมืมอ 就一直在学，学，学<音樂>，一点都不怕。现在我学过来很好玩，一点都不怕。啊，能走到走到，哎，去什么什么很危险的地方，然后它这个石 เส้นใจสามารถเรตอบได้ถ้าตอบได้ถ้าเรื่องกับการปฏิบัติ ครับเขาทานยาจีนครับเขาต้มยาจีนยุบ้านก็ก็สถานครับยุนี่ก็ทานตัวเดียวกันนะครับแต่เขารู้สึกว่ามาทานยุนี่มันขมกว่ายุบ้านครับว่ารู้ว่าวมันติดปกติอย่างไรครับไม่สิปกติหรอกยาวางขนานาต้มเดียวกันแต่การเก็บยาอยู่ในสถานที่อาจจะไม่ ไม่ใช่เป็นรสชาติ เ, เดียวกันแล้นไม้บางประเภทที่อยู่ในป่าดงชุดดงชื้นเนี่ยมันจะมีลทธิ์มากถ้าเจ็บอยู่ในโคกในไ ม, ไม่ใช่ดงมันจะไม่ค่อยมีลทธิ์ไม่ขมค้าเป็ญยายาพ้ออ่ครับยาพ้อคือกันไหมครับนั่นล่ะยาพ้อคือกันแต่ว่ามันเก็บมาคนละที่ อาจจะเป็เหมืนก็เหตุบ้านเราอ่ะอันนี้อันนี้เอาเอาที่เดียวกันนะครับอือฮ huh? อันนี้ไอนนยาเดียกันเลยครับเปรีย้ยเลยครับที่เขาเจ็บมาใครเจ็บมาเข า, าเป็นคนเจ็บมาไหมอันห่ออันเดียวกันแต่ว่าครับห่อกันเดียวกันนั่นแหละแต่วันเจ็บมาคนละที่มห่ออันเดียวกันคนเจ็บมาห่อไม่ใช่ห่ออันเดียวกันทุกอย่างจะเหมือนก <ihi? S 2> <หา S 1> ันไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนี่ก็หมออยานะนี่ก็หมออยาสมุนไพรเงินนะเรารู้ทันใจเรานะักที่มันยาหอมเราชอบอยาผมเราไม่ชอบไนงะ เราดูตรงนั้นเลยดูตรงนั้นถ้าเรากลับมารู้สึกตัวอย่าไปเอาอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบรสชาติเป็นแบบไหนก็ก็รู้แบบที่มันเป็นบบนั่นแหละไม่เอาผิดเอาถูกกับมัน ใจอาจจะเป็นเหตุปัจจัยที่ตัวยาหรือเป็นเหตุปัจจัยที่ตัวเราทําให้มันรสชาติเปลี่ยนไปแต่นั่นคือเหตุปัจจัยภายนอกนะแต่เหตุปัจจัยภายในคือเราทานไปแล้วเนี่ยเรารู้ทันเรารู้สึกตัวหรือเปล่าทานไปแล้วมีความชอบควาไม่ชอบเกิดขึ้นเราหลงไปกับมันหรือเปล่านี่เหตุปัจจัยภายในที่เราสามารถสร้างได้จากการทานยาดิ้นเราเลย สร้างกาเรามาคิดปกติแบบนี้ก็ได้ทาให้รสชามันเปลี่ยนไปที่เหนรช้นชองขาหารี่เราทกาคีร้า ง, างก า, ายาจะเปลี่ยนไปคิดปกติไป เหตุป <necessary. S 2> ัจจัยภายในก็คือว่าเราพยายามรู้สึกตัวในขณะที่ลิ้นกระทบรถใจเรารู้สึกอย่างไรกับรสชาตนั้นอ่ะอันนั้นก็เป็นธรรมะแล้ว 小慧姐姐说：“吃进来，你那好喝；不管是酸还是苦，你吃进来，你那好喝。在你的心里，你喜欢苦吗？这就是为什它因为你不喜欢苦味的苦啊。”让孩子们，让孩子们认真去办。 เด่าสองวันมันเสิไรขึ้นมีอะไรมันเป็นยังไ ง, งประสบการณ์อะไรเรื่องเดืนเรื่องเดือนน้องกราอาจจะไม่รู้่เรการปิบั อธิบายอืมความรู้สึกตัวได้ ม, มา ก, กัว น, นี้หรือครับอธิบายคําว่ารู้สึกตัวหรือว่าการสร้างความรู้สึกตัวครับเป็นยังไงบ้างอใจเป็นไยครับอยากให้ท่านอธิบายเพิ่มเติมครับรววรวความรู้สึกตัวไม่ต้องมีคําถามให้สัมผัสตัวเองระหว่างควารู้สึกตัว กัเวลาใดที่มันไม่ใช่ความรู้กตัวมันจะต่างกันเรื่องไรมันเชื่อมันหลงก็มีความรู้สึกตัวขนาดที่มันหลงไม่มีใครแปลความหลงหรอกจะต้องเข้าข้างความรู้สึกตัวเ ส, สมอไปนั่นเนี่ยเป็นคําตอบของผู้ที่ปฏิบัตินั่นเองเรามันทุกมีความรู้สึกตัวไม่มีใครแปลความทุก ผวามรู้สึกตัวตกท้องที่ตกดวเนี้แล้วก็สอบเหเห็นเองอย่างนี้ผู้ปฏิบัติย่อมเห็นเองอย่างนั้น ครับเมื่อวานนี้เขาเบ่งวิสิทธิดีของอาจารย์คำพนนะครับแล้วในไหนก็ว่าอาจารย์สามารถลาออกจากความทุกข์ความพิการได้ไปในนึ่งเดือนแบบนะครับต้องทาวิธีใดคอยออกจากความทุกข์ความพิการได้ครับอย่างผลว่าอย่างไรเขาทำแบบไหนถ้าเราสังเกต ด, ดูเวลาเขาออกจากทุกข์นีย เขาทำยังไงคนพิการเราก็ไม่ใช่เห็นคนพิการเห็นมันเห็นเห็นเขาก็พูดว่าเห็นเห็นความพิการไม่ได้อยู่กับความพิการด่างกายพิการพูดอะไรอทำไม่ได้แต่จิตใจมันไม่เห็นคนพิการมันเป็นคนละอนกันเขาพูดแบบนั้นนะแล้วเราก็บอกว่าเป็นทุก หรือเราเห็นผู้เป็นผู้หลงหรือเห็นมันหลงอย่างเนี้ยแล้วเราไม่ไปเป็นกับอะไรมันจะมีแต่เราไม่เป็นกับมันเนี่ยยามเงียบคนเขาเป็นคนพิการอสอบถูกไหมเ <c oughs> ห, ห็นว่าเขาดูเห็นเนเขาไม่ได้อยู่กับคนพิการแล้วเขาว่าอี่า่เน้ยอาการของเขาเป็นแไปจิตใจแกมใส ร่างกายที่กาแใจจิตใจมันแจ่มใสขึ้นมาได้ ีจำพนนอนอยู่กับที่ยี่หกปีไปไหนไม่ได้ดูที่ให้จะเป็นทุกข์ขนาดนั้นไม่มีหรอกในโลกนี้แต่ทำไมาเขาจึงออกจากทุกข์ได้มันเปลี่ยนยังไงมันเปลี่ยนไปยังไงมันเปลี่ยนไปยังไงมันเปลี่ยนที่ตรงนี้ให้เราเราก็บอกว่าเห็นนะอย่าเป็นนะเป็นจะเราพูดอย่างนี้เขาไปทำของเขาเห็นมันอย่าเป็นไปกับมันเขาก็ทํา ติไเียควรกันต้งจุดหมายไม่ได้เห็นหน้ากันเลยเขียวเขียนจุดหมายแล้วก็ตกบแคนี่เย <c oughs> อย่างที่เราถามเนี่ย <c oughs> ถามเกิดขึ้นมาแล้วก็ตอไปนี่มันตลอตต่อตากันเนี่ยควรจะถามแล้วผิดหลังงินทางไปมีอะไรก็ถาม <c oughs> Amen. ก็จัดเจราเนี่ไม่ใช่เจ็บปัญหาโทษหนา้าหรอกมันเป็นปัญหาที่มันมันมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีทุกคนเส้นความแก่ควมเจ็บควรตายเราจะไล่กัวการพิการของจันทร์กับพลถึ ง, ขงเขามันเจ็บเราทำไมเจ็บเป็นทุกข์หรือว่าเจ็บ ย, ยังไง ตายเป็นไงนนี่แน่นอนที่สุดพุทธศาสตรสนาเพื่อที่จะเฉลยเรื่องนี้เมื่อการเกิดเกีเก่ยวกบตายโดนไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องออืแบบทุกข์ใดหมายอะไรทานอง น, นี้อะไรก็ตามที่ว่าทุกข์มันต้องเป็นไปผู้ควบดับทุกข์ได้จริงๆริงจริงเขียนว่าพุทธศาสตร์ศาสนา 只对你缺少的人有用，也不是只对健全的人有用。不管是对全世界的人，每一个人，有生有息的人都有用。如果你会运用它，那么你就要活。你不管是哪你国、哪个国家的人，哪个宗教的人，都你爱。在美国。 对啊，嗯，嗯嗯，哈哈哈。啊，讲到啊，啊，前面讲到就是，呃，截肢的动作的过程的话是，比如说从 A 点移动到 B 点，或者是截肢本身动一个动作也是要从头到尾 A 点到 B 点一个过程都先。 给自己做我的注，我的节气是必须，这里从 A 点到 B 点都是，我的节气要是要遵循的，它从 A 点到 B 点移动呢，还是只是需要从 A 点到 B 点它是动的？ ต้องนั่งยกมือเราก็นั่งยกมือมีความง่วงเกิดขึ้นเราก็เห็นความง่วงเกิดขึ้นแม่เห็นมันมันอาจจะยังไม่หายไปอาจจะม่วงอีกนะก็เห็นมาบ่อยๆเห็ น, มนไมาบ่อยๆนะอย่าไปกังวลมันนะมันจะม่วงไปจั่งมันแต่เราจะรู้สึกตัวของเราไป เราตองร้อนที่เราจะรัก เป็นทางผ่านทุกคนก็ต้องผ่านเส้นตรงนี้เหมือนกันนะเราจะไม่หนีมันนะเราไม่ไม่หนีไม่แพ้มันเราจะผ่านมันไ ป, ไปทุกคนต้องเจอทางนี้เหมือนกันความง่วงความฟุ้งความคิดสารพัดอ่ะต้องเจอแน่นอนแต่เราจะเจอแล้วก็ผ่านไปเจอแบบรู้สึกตัวผ่านมันไป